อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมารุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนอ่าซึ่งเป็นวันแรมสองข้ามเดือนสิบหกของ ปีพุทธศักราชสองพนะคะซึ่งพบกันวันเสาร์ก็จะขอนําทั้งฟังทางบ้านมาสนทนาธรรมะหรือว่าสาักกากับพระอาจารย์พระมหาภัยบูร์อภิปุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหาโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้ก็มีพระเอกพระคุณหลวงพ่อดรสะอาดที่ตัวผโซท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ค่ะ ก็ขอนำท่านผู้ฟังนะคะมากราบน้ำพการพระอาจารย์พระมหาภัยบูลพี่ปุนโนกันเลยคะ่ะกราบน้ำพิการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่าะจเจ้ า, า, าบาลทูเจ้าค่ะสำหรับชาววันเสานี้นะเจ้าค่ะในช่วงของการสักการะานี้ก็จะมีคําถามของอแพทย์หญิงเราเรียกกันง่ายๆว่า คุณหมอปูนะเจ้าคะาได้นำพิส ก, การเรียนถามพระอาจารย์มาโยมเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่เดี๋ยวเจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าและก็ออกสมาธินะเจ้าคะ่ะหมอปูก็ถามมาว่าการเข้าออกสมาธิในพุทธวจนะของอพระพุทธองค์เนี่ยเคยสั่งสอนว่าให้สังเกตการเข้าและออกของสมาธิ เหมือนพ่อครัวที่ปรุงอาหารให้พระราชาดังนั้นท่านก็หมายถึงคุณหมอปู่ท่านผู้ถามก็บอกว่ายังไม่รู้วิธีเข้าและออกสมาธิของตัวเองเลยว่าจะสังเกตยอย่างไรก็เลยมากราบนำส ก, การเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูรณ์อภิวัโนถึงเทคนิคหรือว่าวิธีการเข้าและออกสมาธิของพระอาจารย์ ภัยบณ์เองนะเจ้าค ะ, ะก็ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพระอาจารย์พระรรมหาภัยบุรอภิปุโนโนั้นท่านมีวิธีการเข้าออกสมาธิอย่างไรและก็ใช้จุดไหนในการสังเกตเจ้าคะ่ะเพื่อที่จะเข้าสมาธิในแต่ละครั้งที่ท่านผู้ถามหรือคุณหมอปู่อยากทราบอย่างนี้ก็เพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอยู่บน พื้นฐานของศีลและสติท่านทราบมาว่าอย่างนั้นนะเจ้าคะ่ะดังนั้น <c oughs> ท่านก็เลยรักษาศีลหแล้วก็พยายามรู้ลมหายใจเข้าออกเพื่อที่จะเจริญสติในระหว่างวันตลอดวันในการทำงานซึ่งก็พยายามฝึกรู้ลมและก็ฟังเทศของพระอาจารย์แล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยเจ้าคะ่ะส่วนการนั่งสมาธินั้นท่านจะทาทุกคืนก่อนนอนไม่เคยขาดและก็ <c oughs> เพิ่มในตอนเช้าของบางวันด้วยอันนี้ก็กล่าวเป็นพิธการขอความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไปบุตรอภิพุโ น, โนได้เมตตาสักษ า, าหรือว่าชี้แจงว่าของพระอาจารย์เข้าออกสมาธิอย่างไรตามที่คุณหมอปูถามมาใช่ไหมเรื่องนี้อาจมาแบ่งปันให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปถึงประเด็นนั้นอยากจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณหมอปูพูดถึงว่าเหมือนพ่อครัวที่ปรุงอาหารถวายพระราชาเนี่ยแต่ตัวนี้จริงๆแล้วอุปมาอุปไมยเนี่ย เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงความที่เราจะต้องฉลาดฉลาดในนิมิตแห่งจิตของตนนั่นะคืออันนี้ไม่ใช่เรื่องการเข้าสมาธิจริงๆมันก็เกี่ยวนะแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงเป๊ะๆนะทำความเข้าใจเกี่ยวกวับอุปมาอุปไม่นี้สัหน่อยก่อนพระพุทธเจ้าเคยบอกบปรบเทียบกับพ่อครัวสองคนนะทําอาหารถวายพระราชาแต่นะคนนี้คนหนึ่งปรากฏว่าไม่ได้สังเกตเครื่องปรุง ของอาหารตัวเองไม่ได้สังเกตรสอาหารของตัวเองนะว่ารสอาหารของเราวันนี้เป็นอย่างนี้คนกินเขาชอบกินไม่กินอย่างไรนะไม่ได้ดูว่าวันนี้ท่านชมชซุปนี้หรือชมแกงนี้อันนี้หมดอันนี้ไม่หมดหยิบอันนี้มากหยิบอันนี้น้อยนะไม่ได้สังเกตดูซึ่งการสังเกตตรงนี้ก็คือการที่คอยดูเครื่องหมายต่างๆดูการกินดูการพูดจานี่คือการสังเกตนิมิตแห่งแห่งพระราชานะคือหมายว่านิมิตของเครื่องหมายของตน เนี่สามทีปริช า, าใช้ตรงนี้ก็คือเหมือนกับเวลาเราทำอาหารเนี่ยเราดูว่าคนกินเขาชอบไหมเราต้องดูเครื่องหมายหลายๆอย่างคําว่าคือนิม่คือเครื่องหมายนะเราต้องดูเครื่องหมายหลายๆอย่างว่าเขากินหมดไหมเขาพูดยังไงอากาศร้อนอากาศเย็นแล้วเขากินนี้มากกินนี้น้อยบางทีอากาศเย็นก็ไม่กินไอติมกินไอติมน้อยบางทีอากาศร้อนก็กินไอติมมากอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายทั้งสิ้นเลยในเครื่องหมายที่มันมีอยู่เยอะแยะเนี่ยเราต้องรู้จักสังเกตมัน ไม่ใช่แค่ตรงที่เขากินแต่ตอนทําด้วยนะอย่างเช่นว่าอ่าเปรี้ยวมะนาวมันเป็นยี้เปรี้ยวอน้าําปลาน้ําปลามันเปรี้ยวหรือเปล่าน้ําปลาเป็นเค็มถ้าเปรี้ยวน้ําไำน้ําส้มสายชูก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเราต้องรู้จักสังเกตรสชาติของอาหารเราอเอ้ยมันปรุงออกมาเป็นอย่างนี้อย่างงี้อันนี้คือตอนทําตอนทําก็ตอนหนึ่งนะตอนเอาไปเสิร์ฟเขาแล้วดูเขากินรับประทานอาหารก็ต้องดูเครื่องหมายอีกหลายๆอย่าง เช่นอากาศเป็นยังไงมีเครื่องเคียงอย่างไรกินอันนี้เข้ากับอันนี้ไหมหรืออย่างไรอารมณ์ของคนกินเป็นยังไงเราต้องดูตรงนี้ให้หมด น, นี้ที น, นี้ว่าถ้าบอกว่าคนที่เขาไม่ฉลาดดูเขาไม่ฉลาดในเครื่องหมายของการรับประทานเครื่องหมายต่างๆและไม่ฉลาดในนิมิตพวกนี้เขาก็จะทำอาหารมาไม่ถูกใจล่ะทาอาหารมาไม่ถูกใจก็จะไม่ได้ค่าจ้างเราหวนแต่คนที่ฉลาดในการสังเกตตรงนี้ แตเราจะใช้คําว่าฉลาดในการสังเกตฉลาดในการดูผู้เรื่องหม้ฉลาดในนิมิตตรงนี้แหละนั้วก็คือดูแล้วรู้ว่าอ๋อเวลานี้มันควรต้องกินอะไรนี่ร้อนมาก็ต้องเอาอาหารเย็นให้อาหารตอนที่อากาศเย็นๆก็ต้องเอาอาหารที่มันเป็นอีกลักษณะหนึ่งแล้วก็จะรู้สังเกตดูปุ๊บเขาก็จะได้ค่าช่างเหล่าวันอันนี้เปรียบเทียบกับจิตใจของเราแต่เปรียบเทียบกับจิตใจของเราก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับภิสูซอรูปอ่ะหรือว่าคน 2, 2คนนั่งสมาธิอยู่ข้างๆกันน่ย คนนี้ก็สังเกตลมหายใจคนนี้ก็สังเกตลมหายใจคนนี้ก็จเจริญสติปัฏฐานคนนี้ก็จเจริญสติปัฏฐานเอ๊ะแต่คนหนึ่งจิตกลับไม่สงบฟุ้งซ่านจิตตั้งขึ้นไม่ได้ไม่ได้รับความสงบกายไม่รับความสงบใจทั้งๆที่ก็พยายามจะทําอานาบานสติเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งกลับทําได้เอ้าสองคนทำํำไมต่างกันก็เพราะว่าคนแรกเนี่ยคนที่ทําไม่ไดเ้เขาไม่รู้จักสังเกตรเครื่องหมายแห่งจิต ข, ของต น, อนนี่คืออันที่หนึ่ง ส่วนคนที่สองทำไมเขาทาได้ก็เพราะเขารู้จักสังเกตเครื่องหมายแห่งจิตของตัวเองว่าอ๋อจิตฉันทําแบบนี้แล้วมันสงบทําแบบนี้ไม่สงบแต่ตรงนี้มันจึงมาเกี่ยวข้องกับที่คุณหมอปู่ตามบอกเราเข้าสมาธิมันทํำยังไงอ่าเราสังเกตนิมิตแห่งจิตของเราเนี่ยถ้า จ, จะเปรียบเทียบนะจิตก็คือพระราชานะจิตก็คือพระราชาที่เราจะต้องที่พระครัวจะต้องไปปรุงอาหารถวายใช่ไหมก็คือเราก็ต้องทําอะไรหลายหลอย่างเพื่อที่จะให้จิตเนี่ยมันได้ผล ผลที่จะเป็นค่าจ้างรางวัลที่พ่อครัวจะได้ก็คือผลที่จิตเนี่ยจะได้เป็นความสงบใจได้เป็นความปีติเป็นสุขเป็นสมาธิขั้นต่างๆขึ้นมาแล้วถามว่าเครื่องหมายผู้ที่ว่าเนี้มันมีอะไรบ้างนะีมันก็มีเครื่องหมายที่จิตเนี่ยนะที่บอกว่าต้องเป็นผู้ที่สลาดในวาระแห่งจิตของตัวเองสลาดในนิมิตแห่งจิตของตนเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันมีเครื่องหมายหลายอย่างกับตัใจเราอาจจะม้องการเป ร, รียบเทียบกับมาตอนที่ ยกตัวอย่างเราตอนที่เรากินอาหารเดี๋ยวว่าคนที่ทําอาหารเนี่ยเป็นเป็นแม่บ้านเนี่ยทำอาหารให้ลูกกินเอาทําอาหารไม่เป็นไม่เป็นไรแต่ว่าเราเวลาเรากินอาหารเนี่ยทำไมเราจะไม่รู้ว่าอันนี้มันอร่อยอันนี้มันไม่อร่อยทําไมเราจะไม่รู้ว่าอันนี้มันเราชอบกินอันนี้เราไม่ชอบกินทําไมเราจะไม่รู้ว่าเวลานี้เราชอบกินอันนี้เวลานั้นเราไม่ชอบกินอันนี้อย่างนี้เป็นตด น, นะของ <c oughs> ทอดของทอดเนี่ยถ้าบางทีเราก็ชอบกินแต่แม้ตอนเจ็บคอมันก็จะไม่กินอันนี้เราก็ต้องสราบ ของร้อนอ่าอากาศมันร้อนขนาดนี้มันจะไปกินแกงซุปร้อนๆมันก็กินไม่ลงแหละไม่ชอบกินแต่ถ้าทนอากาศหนาวๆเออเอาซุปมากินนี่ชอบใช่ไหมอันนี้เราจะทราบเราจะทราบถ้าถ้าสมมติคนอื่นเขาสังเกตเรากินเขาก็ต้องสังเกตตรงเนี้ยอว่าเอาเขากินมากหรือกินน้อยกินตอนนี้หรือกินตอนไหนน้ำลายละเอียดมันเยอะแยะมากพวกนี้ไหนกินอาหารประเภทนี้หรือ่าประเภทไหนเนีแล้วน้ําจิ้มมันเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ก็มีรายละเอียด แต่ือพูดนี้ไม่ใช่ว่าท่านผูฝฟังให้ไปหาข้าวกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังรายการจะ <c oughs> า <c oughs> ให้จบก่อนอ <c oughs> อก็คือหมายความว่าเราต้องรู้จักสังเกตนิมิตของจิตของเราเครื่องหมายของจิต ง, งเรามันมีหลายอย่างมีหลายอย่างเช่นว่าอะไรบ้างเช่นว่าเรื่องของการสํารลุมอินทรีย์เรื่องอาหารที่เรากินในวันนั้นเช่นว่าวันนี้คุณกินอะไรอ่ะวันนี้คุณกินของเผ็ดแต่บางทีร่างกายมันก็มีอาการร้อนเกิดขึ้นมันก็อาจจะไม่สงบวันนี้คุณกินของร้อนวันนี้คุณกินของเย็น เรื่องอาหารทําให้ธาตุในร่างกายเปลี่ยนแป ล, ปลงอันนี้เกี่ยวเดี๋ยวนะสองวันนี้คุณทําอะไรมาอวันนี้คุณฟังธรรมหรือว่าเจอภาษะที่น่าพอใจไม่น่าพอใจอย่างไรวังฟังเพลงแบบไหนอจิตทําไมมันรวมลงไม่รวมลงเดีนะ๋ยวพวกนี้เราต้องสังเกตดูให้หมดเดนะหรือว่าวันนี้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเรื่องราวแบบนี้เรื่องกระเทือนใจบ้างเรื่องที่ทําให้เกิดความฟูใจความกําลังใจบ้างเอออันนี้เราก็ต้องดู ก็จะมาคือบางทีบางวันเราอ่านหนังสือคนละเล่มเจอภาษาคนละแบบนะมันก็ทําให้จิตใจมันมันรวมลงมันตั้งมั่นไม่เหมือนกันน่ะอันนี้มันตั้งแต่ตั้งแต่ระหว่างวันแล้วคือตั้งแต่เช้าแล้วแต่สมมุติเรานั่งสมาธิตอนเย็นตอนค่ำเฮ้ยวันนี้เราทําอะไรมาแต่ทำไมวันนี้จิตรวมลงเฮ้ยวันนี้เราทําอะไรมาทําไมวันนี้จิตเราไม่รวมลงเน่มันเกี่ยวข้องกันหมดตรงนี้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเข้าสมาธินการเข้าสมาธิ อันนี้เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจาตรัสถวายบอกว่าผู้ที่จะเข้าสู่สัมมาสมาธิได้เนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบ5อย่างต่อไปนี้นะก็คือว่าจะต้องเป็นผู้ที่อดทนต่อตานะอดทนต่อเสียงนะเสียงภายมาทางหูอดทนต่อกลิน่นอดทนต่อลิน้นอดทนต่อรสที่ภายมาทางลิน้นอดทนต่อกลิน่นที่ภายมาทางจมูกกายนะทั้งหมด5อย่างตั้งนต่นหนึ่งนะไม่ใช่หอย่างนะหอย่างอดทนต่อ okay. รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะไม่มีธรรมารมห้าอย่างพออดทนก็ห้ อ, อย่างนี้หมายความว่างไงคำว่าอดทนในที่นี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะคิดเฉพาะที่ไม่ชอบเฉพาะที่ไม่ชอบมันก็ใช่อยู่ก็ถูกอยู่แตที่ชอบก็ต้องอดทนด้วยที่ชอบก็ต้องอดทนด้วยเพราะอะไรนะเพราะว่าตาเนี่ยมันจะเดือดร้อนเพราะรูปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างหูนี่ก็จะเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้าง พระเจ้าเคยยกตัวอย่างอุปมาประไม้ไว้นั่นในอีกที่หนึ่งว่าเปรียบเสมือนหมู่บ้านแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านร้างนะแล้วก็มีภาชนะว่างเปล่าอยู่แล้วหมู่บ้านนี้เดี๋ยวบางทีก็มีโจรเข้ามาปล้นนะซึ่งหมู่บ้านร้างเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกระตาหูจมูกรินกายใจนะโจรที่เข้ามาปล้นนั่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทบและธรรมารมณแนะบางทีตาคือหมู่บ้านเนี่ยก็เดือดร้อนเพราะโจรนั่นคือรูปที่เข้ามาสุกบ้างทุกบ้าง น่ยก็มีเพราะฉะนั้นที่ที่บอกว่าให้อดทนต่อห้าอย่างก็คืออดทนต่อเรื่องของกลามทั้งหมดเลยะกามนากลามที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายกามเนี่ยมันจะเป็นไปเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินลุ่มหลงโมเมาชุ่มอยู่ในกามาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะสวยสวยงา ม, งามสิ่งที่มันจะเป็นความสุขทางตาทางหูนฟังเพลงเพราะๆกินอาหารอร่อยๆเราต้องอดท น, นคือไม่ใช่ว่าไม่กินนะก็ ก็กิน ก, ก็ได้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็ต้องรู้จักอดทนไม่ให้จิตใจเนี่ยมันเปิดมันเผลอเพลินไปในทางทางลิ้นอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าถ้าเจอเสียงที่มันไม่น่าพอใจอือฉันไม่ชอบฟังเพลงหมอลำแต่คนที่ชอบฟังเพลงหมอลำก็ไม่ชอบฟังเพลงแร็ปเฮ้ยทำไมมาเปิดเพลงแร็ปให้คนชอบฟังหมอลำฟังทําไมมาเปิดหมอลำให้คนชอบเพลงแร็ปฟังอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคนละแบบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วย อดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจไม่ให้จิตใจของเราเป็นยังไงล่ะจิตใจของเราถ้าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็จะไม่พอใจหลักขยักขยั้งเกเรช่างต้องอดทนไว้อย่าให้มีตรงนี้เกิดขึ้นในใจเอาวแล้วถ้าเป็นภาษาที่น่าพอใจล่ะมันก็จะไม่จิตใจเรารุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาเพลินไละเปลอเพลินไปละเปลอะเพลินไปละเราก็ต้องอดทนไม่ให้ความเผลดไม่ให้ความเพลินมันเกิดขึ้นนการอดทนที่ไม่ให้อกูสุธรรมเกิดขึ้นนี่แหละ จะทำให้เป็นผู้ที่เข้าสู่สัมมาสมาธิได้หอย่างนะห้าอย่างอย่า ง, าางนะทั้งเรื่องของทางบวกทีนะ่ทำให้เกิดความรุ่มหลงทั้งเรื่องของทางลบที่ทำให้เกิดความขายะขยังเกลียดชังแตนะทีนี้ถ้าเราอดทนได้นะครับว่าอดทนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่เสพแต่มันก็ต้องมีมีระดับนะคุณตาใจคือถ้าเราคิดว่าเราอดทนได้ระดับนี้เราก็เสพระดับนี้ นะหวังผลอะไรหวังผลเพื่อใจเนี่ยไม่ให้มีอกุศลธรรม ท, ทีนี้ถ้าผมว่าเราต้องไปเสพเราต้องไปเจอแล้วก็เสพก็เจอนะทีนี้ถ้าเราอดทนไม่ได้มันก็จะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตพอมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตจะเข้าสมาธิมันก็จะยาก <Okay. S 1> นะมันก็จะต้องปรับเอาทีนี้ถามว่าเราต้องอ ด, ออดทนระดับไหนก็อยู่ที่เราหวังผลอะไรถ้าสมมติว่าเราหวังผลที่มันดีที่มันงา ม, มก็ต้องเสพของที่ควรเสพงดของที่ควรงด พวกนี้เป็นต้นอย่างเช่นเสพของที่คนเสพเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นพระสงฆ์อย่างเงี้ยก็กินข้าวเย็นก็ไม่ได้ล่ะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวาสจะกินข้าวเย็นก็ไม่มีปัญหาแต่ก็กินพอประมาณพอประมาณแม้ถ้ามันอร่อยลิ้นมากกินมากเกินไปหลังท้องตึงหลังไตยหย่อนนะจ๊ะใช่ใชมันก็จะเข้าลักษณะนั้นว่าอิ่มท้องปุ๊บมันก็จะทําสมาธิยากเนี่ยเพราะว่าทำไมถึงกินอิ่มขนาดนั้นนะ่ะก<ช>็แสดงว่าไม่ได้ระวังลิ้นนีไม่ได้ระวังลิ้นไม่ได้อดทนทางลิ้น เจออาห ร, รอร่อยมากก็ซัดมันมากเกินไปน ะ, ก, ะก็เลยเป็นผลทําให้เอตัวนี้หนักเหมือนเม็ดถั่วถูกแช่น้ําพองทําอะไรไม่ได้ก็นอนเสียอืมเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังลิ้นนะในเรื่องของสิ่งที่มันจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินลุม่มหลงอันนี้ก็ต้องอดทนไม่ให้ลุ่มหลงเกิดขึ้นไม่เพลิดเพลินเกิดขึน้นแต่ทั้งสองทางอันนี้คือหลักการทางทางบวกและทางลบนะจ๊ะตูกต้องถูก <นะ S 2> ต้อ ง, อ, งอันนี้สําคัญจํากัญไหนแะล้วถ้าถามว่าถ้าเราอดทนไม่ได้ คุณก็หลีกเลี่ในการเสพเลีกเลี่ในการเจอแตนะ่ทําไมอย่างพระสงฆ์บางรูปบางท่านอย่างเงี้ยทางานหนักหนักแต่เพราะเขกินมือเดียวฮะเกินมือเดียวก็ทํางานหนักได้แต่ฆราวาสบางทีทํางานก็ใช้สมองมากหิวก็กินมือสามมือสี่เอ๊ะทาไมถึงถึงต้องกิน ท, ทั้งที่พระบางรูปก็ท่านก็ไม่ได้กินอันนี้ก็เกี่ยวสมาธิก็เกี่ยวด้วยส่วนหนึ่งอันที่สองมันเกี่ยวเรื่องภาษาด้วยนตะ่ว่าฆราวาสอย่างเงี้ยเดินไปข้างนอกเอาขาก็าขายเนี่ย เขาก็มีอันนี้มาให้กินที่ทํางานก็มีขนมตั้งเอาไว้มันก็เลยมีเรื่องที่ต้องให้คิดเรื่องที่ต้องให้มาแบบเจอเจอเจอมีผัสสะมากแต่ในข ณ, ขณะที่พระนี่กินมื้อเดี๋ยวเขาก็เก็บหมดแล้วอย่างเงี้ยจะไปหาในครัวก็ไม่มีอะไรกินอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้มีผัสสะพวกนี้มันก็เกี่ยวข้องในเรื่องกันภัสสก็สําคัญเจ้าค่ะก็คือไม่มีอะไรมาล่อตาล่อใจว่าอย่างนั้นเถอะใ่ไมัเพราะนั้นเรื่องของการที่เราจะต้องไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสม ที่ที่มันแบบว่าสปายาที่ที่มันจะสมควรที่ที่มันจะเอื้อประโยชน์อันนี้ก็เกี่ยวตองเช่นว่าหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มันจะมีภาษามากมายที่มันจะมีคนชวนไปบ้าไปบอแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปสถานที่นั้นก็จะลดภาษาเราพอลดภาษาเราปุ๊บในที่มันจะต้องอดทนต่อตาหูจูงริ้งการมันก็จะน้อยลงนีมันก็จะทําได้ดีมากขึ้นสมาวจิก็จะเข้าสมาธิได้ก็เป็นผลสืบเนื่องซึมเนื่อกันมาอันนี้มันต้องพูดตั้งแต่เช้า แต่เชาวคุณไปเจออะไรนะคุณมันเกี่ยวข้องกันทั้งวันเพราะว่าจิตเรามีสภาวะสั่งสมนะสั่งสมข้อมูลแต่เช้ามันจะถึงวันนี้ไอ้อวันนี้มันก็สั่งสมตมั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่อาธิที่แล้วปีที่แล้วเดือนที่แล้วแตนะใช่ก่อนพบก่อนมันก็เกี่ยวนะมันก็เกี่ยวมากาเกี่ยวน้อยก็เกี่ยวมันก็มีความเกี่ยวข้องกันด้วยความที่เป็นจิตเดียวกันจุ๊กค่ะทีนี้โดยส่วนตัวของอาตมาเนี่ยเข้าสมาธิยังไ ง, างอาจารย์ทํำยังไงจุ๊กค่ะแน่นอนศีลอาตมาต้องรักษา่ศีลต้องรักษาอันนี้มันต นกรักษาศีลให้ดีแต่ตัวนี้มาก็ต้องมีทุดงควัตแต่ทุดงควัตที่เรารักษาไว้อยู่ตลอดมีอย่างน้อย2ข้อ3ข้อเช่นการรักษาผ้าสามผืนการที่ฉันในบาทเป็นวัตการที่ไม่รับอาหารที่เขาตามมาที่หลังอย่างเงี้ยเป็นต้นเน่ยนะเป็นทุดงควัตที่เรารักษาเป็นอยู่เป็นประจำแต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับไลฟ์สไตล์นะเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างนี้จพาะฉะนนศีลที่มากขึ้น มันเอื้อต่อการที่จะทําให้สมาธิดีขึ้นอันนี้เกี่ยวข้องอนะครับถ้าคารวาสรักษาสีหน้าดีไหมดีดีดีดีมากแล้วถ้าเผื่ว่าทําได้ดียิ่งขกว่านี้ควรทํำไหมควรทำอย่างเช่นบางทีวันพระสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งเราจะรักษาสีแปดเพิ่มเติมได้ดีหรือแม้เรารักษาสีห้านั่นแหละแต่ว่าเราเพิ่มข้อหกไ้ด้วยอย่างเช่นวันนี้ฉันไม่กินข้าวเย็นแต่ฉันแต่งหน้าอยู่แล้ว ก, ก, ก็ไม่มีปัญหา หรือบางวันเราเปลี่ยนจากข้อสามให้ที่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ประพฤติผิดในการมแล้วก็เป็นการรักษาพรหมจรรย์ซะนะก็คือเอาข้อสามของศีลแปดเนี่ยมาเป็นข้อสามของศีลห้าอย่างเงี้ยนะตั้งใจในการกระทําอย่างนี้โดยพวกนี้คนที่เป็นโสดอย่างเงี้ยนี่ควรจะต้องทําได้โดยอัตโนมัติด้วยซ้ําแล้ว้อที่สามของของศีลแปดนะวันนี้อืมฉันก็กินเยอะแล้วนะกลางวันอแต่ตัดสินใจไม่กินข้าวเย็นซะแล้วก็ทําเพิ่ม อันนี้มันก็จะช่วยให้ชีวิตของเราเนี่ยความเป็นอยู่ของเราเนี่ยมันก็บริสุทธิ์บริ บ, รบูรณ์มากขึ้นมากขึ้นอันนี้จะช่วยได้เรื่องของสีนช่วยได้นะ<ช>อาตมาในระหว่างวันอาตมาพยายามที่จะไม่พลาดนะพยายามที่จะไม่พลาดในใหมายความว่าเราก็จะตั้งสติไว้ตลอดวันไม่ใช่ว่าเราจะมาทําเฉพาะตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าแต่คือตัวอาตมานั่งสมาธิเช้าเย็นก่อนที่จะลุกออกจากที่นอนนะรู้สึกตัวปุ๊บหลังตรงเลยต้องนั่งสมาธิก่อนห้านาทีสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงต้องมี เสร็จปุ๊บก่อนนอนก่อนจะเองกายไปนอนหรือเองกายไปนอนแล้วก็กําหนดสมาธิอันนี้ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วระหว่างวันเราก็จะต้องพยายามดูลมหายใจเอไม่เปลอเปลนสํารวมอินทรีย์พวกนี้เกี่ยวข้องหมดนะคืออดทนในระหว่างวันมันมันก็จะทําให้การเข้าสมาธิในช่วงที่เราทําอย่างเป็นรูปแบบเนี่ยมันช่วยได้ออืมัช่วยไ ด, นะยได้แล้วก็ถัดมา เรื่องของเวลากินอาหารอย่างเงี้ยพระนี่กินอาหารมาละมืออย่างเงี้ยเวลากินอาหารก็ทำกำไรได้คนเดินใจก<ช>็คือไม่ใช่ว่าใส่เต็มที่เนหรือไม่พิจรารณาเราก็พิจรารณารับประทานพอประมาณอันนี้ก็ ช, ช่วยได้นะมันก็จะช่วยได้ตรงนั้นตรงนี้รวมๆกันเข้ามันก็เป็นผลใหญ่มีอันนี้ส่งใหญ่ขึ้นมาสาธุเจ้าค่ะคือไมาถึงต้องพยายามมันสารวจ จิตของตัวเอง<ช>อย่างที่พระอาจารย์พูดแต่แรกนะเจ้าคะเรื่องครอบครัวปรุงอาหารเนี่ยก็คือดูซิว่าภาวะจิตของเราเนี่ยอย่างไรจึงจะเข้าสมาธิได้ได้อย่างดีถูกไหมเจ้าคะในขณะเดียวกันอันนี้โ ย, ยมย้อนไปถึงตอนแรกที่พระอาจารย์พูดนีเจ้าคะ<ช>แต่พูดขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องสํารวมอินทรีย์ของเราด้วยการที่จ ะ, ะสํารวมระวังไม่ให้สิ่งที่มันเป็นผัสสะทั้งหลายเนี่ยเข้ามา ทำลายหรือว่าเข้ามาลุกรามจิตเราได้อันนี้จะเผื่อเราสํารวมระวังตลอดระยะเวลาทุกขณะจิตเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าสมาธิได้เร็วขึ้นถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องแล้วค่ะอ่าแล้วก็ถัดมาในะการดํารงอยู่ในสมาธินะ่ยพูดถึงการดํารงอยู่ในสมาธิเนี่ยมีประสูต์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญนะเนีคือเมื่อมีเวทนา มีสัญญาวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยก็มีความแจ่มแจง้งแต่วันนั้นเราจะดำรงอยู่ในสมาธิได้เนี่ยคือการดำรงอยู่ในสมาธิวันนานเท่าไหร่มีความลึกเท่าไหร่การออกจากสมาธิว่าออกตอนไหนมันก็มีรายละเอียดจนเดินใจว่าคือบางคนนั่งสมาธิเป็นรูปแบบนั่งสมาธิสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ตามนั่งปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บออกเลยลวเวลาปุ๊บก็ลุกขึ้นเลยอย่างเงี้ยอแต่บางทีมันก็ออกเร็วไปมันก็จะยังไม่ถูก ดังนั้การที่เราจะเข้าจะออกเนี่ยจะดำรงอยู่มันก็มีรายละเอียดในที่เราพูดถึงเรื่องเข้าไปแล้วเราพูดถึงเรื่องเข้าไปแล้วแต่เรื่องการดำรงอยู่ก็ต้องเห็นความไม่เที่ยงแต่คนที่จะดำรงอยู่ในสมาธิได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่คิดเลยอันนี้เราต้องเข้าใจให้ถูกก่อนว่าในสมาธิบางทีก็มีความคิดแต่ความคิดที่ถ้าเป็นกุศลทํำไมมันจะคิดไม่ได้ในมีสมองมันก็คิดบางคนจะคิดว่าสมาธิมันต้องไม่รู้สึกอะไรเลยเอาก็มีแขนขาทำไมมันจะไม่รู้สึกแต่ว่ารู้สึกแล้วยังไง รู้สึกแล้วไงเราทํายังไงถึงจะดํารงอยู่ในสมาธิได้เราก็คือให้เห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเห็นความคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึน้นแล้วก็มีสติรับรู้ไว้นะตั้งอยู่ก็มีมปมาาัญหาดับไปก็ให้รู้ด้วยเห็นความไม่เที่ยงของมันวางเงันเถอะนะเห็นมัน <Somewhere. S 1> เกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่เห็นมันดับไปเห็น อ, อย่างมีสตินะไม่เข้าไปเ ก, กลือกกลวนในสิ่งนั้นนี่แหละจะทําให้การดํารงอยู่ในสมาธิจะเกิดขึ้นได้อจาคือเห็นมันเกิดขึ้นแล้วคิดว่าฉันหลุดออกจากสมาธิ ไ ม, มไม่ใช่ไม่ใช่ปเด็นนะก็ยังนะก็ยังอยู่ก็ <ใน S 2> ยัง ม, มีอยู่ยใช่ชค่ะนะถ้าเผื่อว่าเราคิดเรื่องที่มันไม่ดีแต่เราจริตจเราไม่เข้าไปึกลือกลัวตรงนั้นอนะ่ะบางทีมันก็คิดได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลของความเร่าร้อนในภายก่อนที่มันภายหลังที่มันจะเกิดขึ้นมันมาเป็นให้ผลเป็นตอนนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีอย่างเงี้ยให้มีสติเห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของเวทนาคือความรู้สึกทางกายนะ ปวดหลัง<พ>ปวดเอวก็มีบ้างกัธรรมดาของวิตกคือความคิดนะความคิดเรื่องดีเรื่องไม่ดีก็มีเป็นธรรมดาสัญญา<ช>ก็ ค, ค, คือความหมายรู้แต่บางทีเราได้ยินเสียงจากภายนอกเสียงมากระทบหูกลิ่นมากรทบจ ม, มูกเอ็นี่กลิ่นดอกไม้ อ, อ๋อนี่เสียงคนพูดนันะนี่คือสัญญานะสัญญาพวกนี้เราก็เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันนะอันนี้จะเป็นไปเพื่อที่จะให้เราตั้งอยู่ในสมาธิได้ <ช>คือไม่ใช่ว่าเราได้ยินเสียงเรามีความคิดเราได้ดมกลิ่นใดๆแล้วเราจะคิดว่าโอ้ฉันออกจากสมาธิแล้วจิตฉันไม่เป็นสมาธิลเลวคราวนี้ไม่ใช่ประเด็นนั่นไม่ใช่อันนี้คือถ้าเราเห็นธรรมะในสิ่งนั้นคุณยังเห็นธรรมในธรรมนี่อะคุณยังอยู่ในสมาธิเจ้าค่ะทีนี้เรื่องของการออกจากสมาธินี่มันมีประเด็นว่าออกแบบไหนออกแล้วให้ลึกหรือออกแล้วให้ออกออกในที่นี้ไม่ใช่ว่าออกจาก ออกมาเดินยืนนั่งไม่ใช่ไม่ใช่เวอร์ซี่ที่เป็นรูปแบบนะอันนี้กําลังพูดถึงสภาวะทางจิตนะคุณนใจแต่ว่าออกเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณลุกขึ้นมาจากสมาธิออกจากการทําสมาธิที่เป็นรูปแบบนั้นไม่ใช่บางทีเราเดินไปบินดาบเนะีถ้าประสงค์เดินไปบินาบาบนะหรือว่าเราทํางานอยู่คุณอาจจะอยู่ในสมาธิตลอดเลยก็ได้นะเช่นคุณทํางานทําอะไรนะ่ะเป็นหมอ ก, ก็ผ่าตัดบ้างทํากิจกรรมที่หมอเขาจะทำํำนะเป็นพยาบาลก็ทําไปเป็นพ่ อ, อครัว เป็นวิศวกรเป็นคนทํางานออฟฟิศก็ทํากันตรงนั้นไปใช่ไหมเราจีจ่ายจุดจออยู่ในการทํางานของเรา เ, เห็นความไม่จริงความมันเกิดขึ้นดับไปความคิดนี้มาความคิดนี้ไปอันนี้เป็นสมาธิตลอดล่ะทีนี้ว่าก<ช>าร<ช>ที่<ช>จะออกจากตรงนั้นนะการออกเนี่ยที่ว่าถึงว่าลึกลงไปหรือว่าตื้นขึ้นมาแต่ซึ่งการลึกลงไปเนี่ยคือหมายถึงว่าสมาธิที่ระงับลงระงับลงระงับลงก็คือออกจากสมาธิที่ขั้นตื้นๆออกไปเข้าสมาธิที่มันลึกลงลึกลง หรือการที่ออกจากสมาธิมาขั้นที่ต่ำลงเนี่ยเช่นมาออกจากชั้นสมาชาั้น2ชั้นสมาชาั้น1ออกมาอย่างนี้ก็เรียกว่าออกได้เหมือนกันหรือออกจากชาาั้นหมาเป็นความคิดทั่ ว, วไปอันนี้มันก็เป็นไปได้เพราะงั้นการที่จะออกตรงนี้ถ้าจะออกให้ลึกออกให้ลึกลงไปันก็คือต้องเห็นอาภารของสมาธิในขั้นตน้ตนๆพระพะุทธเจ้าเคยตรัสไว้เช่นว่าคนที่จะออกจากชั้นสไปเข้าชั้นสาม หรือออกจากชั้นหนึ่งไปเข้าชั้นสองเนี่ยก็ต้องเห็นความเป็นอาพาธของชั้นหนึ่งเห็นความเป็นอาพาธของชั้นหนึ่งโอ้ไม่เอาล่ะมันก็จะเข้าชั้นสองได้ออกจากชั้นสองเข้าชั้นสามก็ต้องเห็นความเป็นอาพาธของชั้นสองจึงจะเข้าชั้นสามได้จุกค่ะเนี่ยเราต้องเห็นอาพาธของสิ่งที่มันไม่ดีเราก็จะออกจากสิ่งนั้นตํางหนึ่งอืมจุกค่ะอาพาธนี่หมายถึงว่าหมายถึงข้อไม่ดีเจิตยังไงอ๋อข้อไม่ดีข้อไม่ดีอ่ะความบวยความที่มัน เอ่อจะทําให้มันมารําคาญใจมากังวลใจเนี่ยอย่างเช่นคนเราเขาสบายดีอยู่นะแต่แบบเดี๋ยวปวดหัวปวดเอวมันเป็นอาพาธอย่างเงี้ยอืมแต่มันมันก็จะมาแบบกระเทือนใจมากระทบใจมันก็จะทําให้แบบรู้สึกแบบอาพาธนิดนึงอะนะเจ้าค่ะคืออาพาธเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคือสมาธิมีอยู่แต่บางทีมันมีอาพาธนิดนิดหน่อยหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ว่าออกจากสมาธิเลยแหมแต่มันมีข้อแบบกวนใจนิดนึงอย่างเงี้ยอือเช่นเดียวกันว่าสุขภาพเรา อมันอาจจะ ก, ก็ดีอยู่ทํางานได้อยู่ไม่ถึงขนาดว่าป่วยนอนสมเข้าโรงพยาบาลแต่มันก็ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้มีอาภาษณ์นิดๆหน่อยๆสมาธิก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันนะว่าวเราจะต้องออกให้มันลึกขึ้นเราก็ต้องไปเห็นอาภาษของเก่านี่ถ้าเราเห็นอาภาษอย่างนี้เนี่ยคุณเดือใจเราจะสามารถทรงจิตให้อยู่ในขั้นต้นได้ตลอดเวลาทั้งวันเลยนะะถ้าทั้ง ว, วันเนี่ยเราไม่คิดเรื่องชั่วไม่คิดเรื่องที่เป็นมิจฉาสังฆปะไม่คิดเรื่องการพยาบาตเบียดเบียนนะแล้วเราก็พูดไป ทำงานไปนะกินข้าวก็ได้เดินทางก็ไม่มีปัญหาสิรเราก็จะอยู่ในขั้นหนึ่งตลอดเลยอยู่ขั้นหนึ่งตลอด oh, อ๋อเจ้าค่ะอ่แล้วถ้าเราต้องทําให้ลึกขึ้นไปเราก็เห็นอาภาษของขั้นหนึ่งเราก็ไปขั้นสองได้เจ้าค่ะเป็นลักษณะนั้นเนาะเจ้าค่ะอันนี้คือพุทธเบื้องต้นอย่างนี้สาธุเจ้าค่ะอะตอนไปเอปฏิบัติธรรมเนี่ยพระอาจารย์เคยพูดอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะเจ้าค่ะว่าเนี่ยบางคนเนี่ยพอพระอาจารย์ตีละครังปุ๊บ หมายถึงว่าหมายถึงหมดหนึ่งชั่วโมงนะเจ้าคะ่ะก็ลืมตาปุ๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ ะ, อ, ะอันนี้พระอาจารย์เคยพูดยมอยากขอขอความเมตตาชี้ตรงนี้นิดนึงว่าพอเราทําสมาธิอยู่พอรู้ว่าหมดเวลาอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะเราจะถอยจิตออกมาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดต้องทํำยังไงเจ้าคะ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเราต้องรู้สึกสัมผัสอายตนะก่อนอนะเช่นว่าอยู่ในห้องเราก็รู้สึกถึงว่าเออเราชั้นนั่งอยู่นะรู้สึกถึงน้ําหนักของตัวที่ตกลงบนที่นั่ง อ่าอากาศเย็นเราก็รู้สึกถึงอุณหภูมิของห้องเราก็รู้สึกถึงร่างกายของเรามีแขนมีขาอยู่ทําความรู้สึกตรงนี้เราค่อยลืมตาขึ้นมาอออันนี้คือถ้าถ้าเป็นรูปแบบนะถ้าเป็นรูปแบบใช่ค่ะหรือว่ารู้สึกว่าเรากําลังจะออกจากสมาธิละเราก็ค่อยๆรู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ช่สาธุทุกค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโน พระอาจารย์องค์ปาถุกประจำรายการธรรมรปปุลณท่านได้เมตตาสากกะามาเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าแล้วก็ออกสมาธิเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะตามที่คุณหมอปูได้กราบนมส ก, การเรียนถามมาเดี๋ยนเชื่อมันว่าท่านผู้ฟังที่เราฟังก็ได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของการาเข้าออกสมาธิของท่านได้เป็นอย่างดีทีเดียวมีความรู้อย่างมากทีเดียวนะคะเวลาในรายการธรรม ร, ปรัปปุลณในเช้า ว, วันเสาร์นี้ก็หมดลงแล้วนะคะ เราคงจะต้องกลับมาพูดกันใหม่ช่วงของการสากัชาหรือการสนทนาธรรมะในเช้าวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่เก้าพฤศจิกายนพบกันตอนตีห้าเหมือนเคยนะคะสําหรับเช้านี้ก็ขอนําท่านผู้ฟังกล่าบขอบพระคุณและกล่าบนามัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนไฮโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้คะ่ะรวมทั้งกล่าบนมัสการลา ท่านจะเอาวาสคือพระเดชพระคูณหลวงพ่อดรสะอาดที่โตภาโซหรือท่านพระคูณสิทธิปากรไปพร้อมกันด้วยนะคะกราบนำสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเจ้ยบาลสาธุเจ้าค่ะ